แต่ตามประวัติบอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยๆทั้งหมดจึงเหลือแต่ลุงปู่เหรียญรูปเดียวที่เติบโตและยังมีชีวิตอยู่วัยเด็กลุงปูเหรียญเกิดในครอบครัวกสิกรบิดามารดาของท่านประกอบอาชีพกสิกรรมทำไร่ทำนาในวัยเด็ก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 และด้วยความเอาจริงเอาจังในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตทําให้ในเรียนได้พิจารณาถึงอนาคตของตัวเองยามหยุดพักมือจากการงานก็มักจะนั่งทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและคาดคิดไปถึงชีวิตในอนาคตเขาจึงมองเห็นความไม่ราบเรื่นของชีวิตพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวาสได้มองเห็นความเหน็ดเหนื่อยและความหนักหน่วงของคารวาสวิสัยได้มองเห็นทุกอันใหญ่หลวงที่จะโถมทับมาในอนาคต ไม่ว่าจะในฐานะอะไรเขาจึงเริ่มคิดฐาทางหนีทุกใหญ่เหล่านั้นในวัยใกล้บรรลุดิติภาวะในเรียนได้เพ่งพินิศสาละแห่งชีวิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนในที่สุดจิตใจก็โน้มเอียงไปในทางออกบทอยากะละทิ้งความวุ่นวายในเพศคารวาดตัดวงจรความทุกข์ทั้งมวลสู่ความสงบอันร่มรื่นในเพศบามพชิ สู่ล่มกาสาวพัดในวัยยี่สิบปีบริบูรณ์ในขณะที่พื้นฝูงรุ่งเดียวกันส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียกันหมดแล้วแต่ในเหรียญก็ยังคงนิ่งเฉยต่อสภาพครอบครัวเนื่องจากก่อนหน้านั้นเขาได้คิดที่จะละทิ้งความวุ่นวายในเพศคารวะมาสู่ความสสงบในเพศบรรญชิตแล้วแต่เนื่องจากเห็นว่าบิดายัางต้องการให้ช่วยเหลือนในเรื่องแรงงานจุมากจึงได้อยู่ช่วยอีกระยะหนึ่ง จนเห็นว่าพอสมควรแล้วบิดามีนามีสวนและได้รับผลประโยชน์จากสวนจากนานั้นพอที่จะเลี้ยงขีพได้อย่างไม่อัตคัดแล้วจึงได้ตัดสินใจแจ้งความประสงค์เรื่องจะเข้าสู่เพศบัตรประชิตให้บิดาทราบพ่อผาได้ทราบความประสงค์ของลูกชายแล้วก็ไม่คัดค้านแต่อย่างใดอันที่จริงตัวของพ่อผาเองก็พอจะคาดการได้ว่าลูกชายคนนี้คงจะเอาดีในทางบวชเพราะเหตุชีวิตที่ผ่านมา เขาไม่ค่อยคลึกคลืนเฮฮาเหมือนคนหนุ่มทั่วไปจึงได้สนองตอบเจตนารมของลูกชายโดยการไปพาไปฝากให้อยู่ฝึกท่องขานาค ก, กับสมภารที่วัดที่สนิทสนมกันคือวัดหงทองซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในเหรียญไปฝึกท่องขานาคอยู่เพียงไม่นานก็สามารถจำบทสวดตอนใช้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทได้ทางจเจ้าอาวาสวัดหงทองก็เลยกาหนดวันบรรพชาอุปสมบทให้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 ท่านแต่งขึ้นเป็นคำอธิบายแนยวสติปฐานสี่นี่เองภายหลังจากได้หนังสือเร่มนั้นมาพระพิษุเหลียนก็นำเอามาศึกษาอย่างจริงจังและปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างเคร่งครัดจึงทำให้การเจริญสมถวิปสนากรรมฐานจเจริญรุดหน้าไปมากทำให้จิตใจของท่านเริ่มหนักแน่นไปในทางกรรมฐานมากกว่าทางปริยัติตัต้งแต่บัดนั้นก็มุมานะในทางปฏิบัติเป็นการใหญ่ โดยเริ่มจากเมื่อออกพรรษาแล้วสอบนักธรรมเสร็จก็กลับมาพักที่วัดใกล้ๆบ้านโยมบิดาคือที่ตำบลบ้านม่ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายระหว่างที่มาพักอยู่นั้นก็ได้มีโอกาสพบพระธุดงกรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์สิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระธุดงกรูปนั้นก็คือพระอาจารย์กูธ่ธรรมมัิโนท่าอาจารย์กู่รูปนี้ถัดจากพรรษาอยู่ที่อำเภอผนาหนานิคม จังหวัดสกลนครแต่ในช่วงออกพรรษาท่านนิยมออกท่องธุดงสแสวงหาสถานที่อันเป็นสักปลายะเพื่อบำเพ็ญธรรมและสงเคราะห์ญาติโยมในถิ่นธุระกัดาตอนที่ท่านมาปักตรกรดบําเพ็ญธรรมอยู่ที่หมู่บ้านบ้านม่อนั้นมาพักอยู่ในลาป่าใกล้ๆกับบ้านของในผาโยมพ่อของพระพิสุเหร็น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 พระอาจารย์กูเดินทุ ด, ดงมาพักที่บริเวณนี้คือที่ตั้งวัดอรัญญพันธ์ในปัจจุบันสมัยก่อนโน้นยังไม่มีวัดอะไรเลยเป็นป่าดงทึบสัตว์ป่าก็มากนะสมัยนั้นอาตามาได้มีโอกาสพบและปฏิบัติธรรมกับท่านมาเรื่อยๆฝ่ายโยมิดาของท่านคือในผาใจขานในเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระอาจารย์กูยิ่งนักและยิ่งเงื่อเดค้นพบทางสว่างแห่งชีวิตคือการปฏิบัติธรรม จนในที่สุดก็ตัดสินใจออกบวช ด, ด้วยและได้ถือคลองเพศบานไปชิตยอยู่จนกระทั่งมรณาภาพหลวงปู่เหรียญเล่าถึงหลวงพ่อผาโยมอิดาของท่านให้ฟังว่าพ่ออาตมากลับมาอยู่วัดข้างบ้านไม่นานนะักโยมอิดาจึงออกบวชตามมาบ้างเพราะท่านเกิดศรัทธาในจารยาวัดของพระอาจารย์กูธรรมทิโนท่านเลื่อมสายถึงขนาดทีเดียวไม่ว่าพระอาจารย์กูจะออกโปรดบิณฑบาตจะนั่งเดินยืนนอน ทำภาวนาเดินจงกลมโยมบิดาของอาตมามองเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสายอย่างมากทีเดียวเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วก็อยู่กับอาตมาจะเลื่อนสมาธิภาวนาได้มากทีเดียวละท่านอยู่ในชีวิตของพระได้ยี่สิบสามพรรษาและท่านก็นล่วงรับไปรวมอายุตอนท้ายของชีวิตได้เก้าสิบสามปีหลวงพ่อของอาตมาเสีชีวิตไปในลาพสศสองพันหรอสิบเก้านี่เองนะเรียกว่าชีวิตของบิดาในชาตินี้ ได้กําไรไปมากพอสมควรทีเดียวเหมือนกันไม่เสียทีที่เกิดอาตมาก็พรอยมีกุศลไปกับท่านด้วยเริ่มออกทุดงภายหลังจากได้พบพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนแล้วพระพิสุเหรียญก็ได้หันหน้าเข้าสู่ทางสายกรรมฐานอย่างจรงิงจังโดยการติดตามพระอาจารย์กู่ไปทุดงอย่างที่ต่างๆ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 เมื่อปีพุทธศักราช2476พระอุปชาใหม่ตั้งมขพระตามหรือฉายาใหม่ให้ว่าวรราโภภายหลังเข้าพิธีทันหิกรรมเป็นพระภิสุฝ่ายพระธรรมยุทธ์แล้วพระพิสุเหรียญก็ได้ติดตามพระอาจารย์กูธรรมทิโนไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆสองพรรษาโดยพรรษาแรกอยู่ที่วัดป่าสารวาลีตาบลบ้านค้ออาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวัดแห่งนี้ ท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่พันธุ์ผู่ฤทธตโตฝ่ายวิปัสนาในขณะนั้นเคยอยู่จำพรรษามาก่อนครั้นพรรษาที่สองพุทธศักราชสองพเจ็สบเจดก็ตามพระอาจารย์กูไปจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในพรรษานี้พระพิษุเหรียดได้เร่งความเพียรในทางปฏิบัติอย่างเต็มที่จึงได้ตั้งใจสมาทานฉันอาหารเพียงเล็กน้อยและกําหนดกฎปฏิบัติว่าหนึ่งจะไม่นอนกลางวัดสอง ตะวันตกดินจะเรื่องปฏิบัติธรรมทำสมาธิเดินจงกรมจเจริญภาวนาเมื่อเข้าจับวัดก็กําหนดว่าจะตื่นที่สองและหลังจากนั้นจนกระทั่งฟ้าสว่างก็จะบําเพ็ญภาวนาต่อไปภายหลังจะออกพรรษาที่สองพระพิสุเหลียนเห็นว่าได้รับอุบายธรรมจากพระอาจารย์กูพอสมควร เห็นว่าตัวเองพอมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วพอที่จะรักษาตัวเองได้และสามารถนำพาตัวเองไปบนเส้นทางธรรมได้อย่างไม่หลงผิดแล้วก็ได้กลาบลาพระอาจารย์กู่ธรรมติโนออกท่องทุดงตามลําพังระหว่างนั้นก็เวยโอกาสไปพบปะและศึกษาธรรมปฏิบัติจากพระทุดงหลายรูปที่ได้พบกันในระหว่างทางท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ภายหลังจากได้กราบลาพระอาจารย์กู่ออกทุดงเพียงลําพังให้ฟังว่า ต่อมาหลังจากอยู่กับพระอาจารย์กูได้สองพรรษาแล้วอาตมาก็กราบลาท่านออกทุต d o ต่อไปกราบลาพระอาจารย์กูแล้วพระพิสุเหรียญก็ท่องทุต d o ไปเรื่อยๆโดยตั้งใจว่าในพรรษาต่อไปคือพรรษาที่สามเริ่มนับพรรษาหลังจากรรทําพิธีธันทิกรรมจะไปจับพรรษาที่วัดเดิมคือวัดป่าสาลวารีจังหวัดอุดรธานีระหว่างที่ทุต d o จากวัดอรั ญ, ญาวาศีจังหวัดหนองคาย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 ออกปัญษานั้นก็ได้ออกทุตองอีกพักบําเพ็ญธรรมตามป่าเขาลํานาวไพรต่างๆในแถบภาคอีสานชวนกระทั่งจะเข้าปัญษ า, าจึงได้เดินทางไปยังวัดอรัญญบันพศตาบลบ้านหม่ออาเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงเสนาสนะป่าอยู่เพื่อจะประจําปัรษาที่นั่นกลับมาเที่ยวนั้นพระอาจารย์เหรียญ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 เมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้นมาท่านก็พยายามเร่งแก้ไขทั้นไม่สามารถแก้ไขได้ตนเองก็ได้ระลึกถึงท่านพระจัรย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูดิทัตโตฝ่ายวิปัสนาซึ่งตอนนั้นท่านก็ได้ย้ายไปเผยแผ่ธรรมอยู่ทางภาคเหนือส่วนที่ภาคอีสานได้มอบหมายให้สิทธิเอกคือหลวงปู่สิงขันะยาขมูเป็นหัวหน้าสายทำหน้าที่ควบคุมหมู่คณะหลวงปู่เรียนได้เล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นให้ฟังว่า เอทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็สงบลงแล้วทําไมมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ทําอย่างไรดีพยายามแก้ไขก็ไม่ตกสักทีโอ้สู้กันเป็นเวลานานนะอาตมาเกือบเสียท่ามันเหมือนกันเจ้า ก, กิเลสตัณหานี่แต่สติของอาตมาดีมากนะสติและกําลังใจนี่เยี่ยมเลยเราไม่ยอมหลงไปกับมันให้เกินกว่า น, นี้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 หลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่อาตมาก็ได้ชวนพระเพื่อนกันไปเหนือทันทีเครื่องธุดงต่างๆก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วออกทุดงไปเรื่อยๆที่ไหนเห็นสมควรก็พักปักกลดบําเพ็ญเพียรภาวนาเดินจงกรมลักษณะของการเดินจงกรมเนี่ยต้องเข้าใจนะเดินด้วยความมีสติอย่าคลาดเคลื่อนเวลาเดินจะไปคิดว่าเดินในตลาดนั้นไม่ได้กําหนดเดินไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เหนื่อย การเดินอย่างนี้มันสบายดีเพราะไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเวลาฉันเมื่อไรจะมืดค่ำจะได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นทุกย่างก้าวจิตแนบตัวกับพุทธโธอาการหายใจก็เข้ากับพุทธโธหายใจออกก็พุทธโธอยู่ก็พุทธโธตายก็ต้องตายกับพุทธโธอัตมาเดินไปเรื่อยๆแต่จิตใจขณะนี้คิดที่จะทําลายความหลงของอัตมาด้วยสติปัญญาอยู่เรื่อยไป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 ในระหว่างที่ท่านบําเพ็ญธรรมนธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าทาั้งๆที่ท่านไม่เคยพบเจอหลวงปู่มั่นมาก่อนท่านล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นท่านมายืนอยู่ตรงหน้าท่านยิ้มเฉยๆไม่ได้พูดอะไรด้วยนิมิตนั้นทําให้หลวงปู่เหรียญท่านเกิดความปลื้มปิติอย่างแปลกประหลาดและเกิดความมั่นใจว่าการเดินทางไปหา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 อาตมาก็ได้เข้าไปฝากตัวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านสอนธรรมะมาให้หลวงปู่มั่นท่านมีความเมตตาสูงจริงๆนะท่านรับอาตมาไว้แล้วสอนธรรมะให้วันนั้นอาตมาได้มีโอกาสฟังธรรมพร้อมทั้งลูกศิษย์ของท่านอีกหลายๆลูกอาตมามีความทราบซึ้งในคำสอนมากเหมือนมีกำลังใจนะขยันฝึกฝนจริงๆวันต่อมา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 ทีนี้เราจะทำความเพียรให้มากทีเดียวกลัน้นไปถึงคืนที่สี่ขณะที่อยู่กับท่านอาตมาก็ไปเดินจงกรมเดินพอสมควรแล้วก็เข้ามานั่งสมาธิต่อนนั่งอาตมาอาธิษฐานลงไปเลยว่าบัดนี้ข้าพเจ้า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 จูงม้าอาชาไนาตัวหนึ่งมายืนต่อหน้าแล้วท่านพูดว่านี่แหละคือม้าอาชาไนาอันประเสริฐท่านจงทำตัวให้เหมือนม้าอาชาไนาตัวนี้คือธรรมดาม้าอาชาไนาเป็นม้าที่ฝึกง่ายเข้มแข็งไม่อ่อนแอท่านจงดูนะว่าแล้วล้งปูมั่นก็ก้าวขึ้นฉี่บนหลังม้าอาชาไนาตัวนั้นคลันแล้ว มันก็ผ่าท่านวิ่งไปอย่างรวดเร็วเหมือนลมพัดหายวับไปกับสายตาต่อจากนั้นก็ถวนกระแสจิตข้ามาสู่ปัจจุบันพิจารณาดูในมิตรนั้นได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมได้อย่างปลอดโปร่งว่ามาอาชาตินายนั้นเปรียบเหมือนดวงปัญญากริยาที่วิ่งไปนั้นได้แก่ปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปว่ามเป็นอนิจจัง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 อาตมาได้พบความสาเร็จเพียงประโยคสั้นๆนี้เองเป็นเครื่องเตือนใจอาตมามาโดยตลอด12ปีที่ภาคเหนือภายหลังจากได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์และอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นที่ป่าข้างโรงเรียนเกษตรแม่โจ้ ในเขตอำเภอสาสายจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นแล้วข้าอาจารย์เหรียญก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภาคเหนือนานถึงส2สองปีโดยจำพรรษาตามวัดต่างๆดังนี้พรรษาแรกที่ไปถึงคือพรรษาที่หกของท่านได้ติดตามลูปู่มั่นไปจำพรรษาในเสนาสนาปาัป่าที่สวนผลไม้แห่งหนึ่งในเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และในระหว่างข้อพรรษาก็ได้ติดตามลปู่มั่น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 มีพระภิกษุสิทธิหลวงปู่มั่นมาอยู่จำพรรษาด้วยหลายรูปที่สําคัญสําคัญก็มีหลวงปู่ชอบฐานนสมโมขั้นออกพรรษานั้นแล้วหลวงปู่ชอบก็ได้ชักชวนพระอาจารย์เหรียญทุดดงไปทางฝั่งพมา่าแต่หลวงปู่เหรียญเห็นว่าตอนนั้นหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ที่ภาคเหนือกองทัพทมสายพระป่ากําลังลุกหน้าอยู่ทางเหนือควรจะเร่งความเพียรให้เต็มที่การไปพมา่าอาจจะมีอุปสรรค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 หันมานับถือพุทธศาสนาได้มากขึ้นและในช่วงที่ท่านทั้งสามได้ไปพักบำเพนทามอยู่ที่ภูเขารูกหนึ่งซึ่งชาวเขาเชื่อกันว่ามีพูดผีพิศารดุมากจนเคยทำให้ชาวแม้วเสียชีวิตไปแล้วถึงสามคนและเมื่อท่านทั้งสามไปบำเพนอยู่ก็เกือบถูกเสือมาทำร้ายดีแต่ว่าหลวงปู่เหรียญท่านทราบในวาะจิตเสียก่อนว่าเสือจะมาท่านจีได้เพ่งจิตแผ่เมตตาให้มัน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 แสดงตัวให้ดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็จมลงไปที่เดิมนั่นเองหลวงปู่เลี้ยงท่านตามเพื่อนสหทันมิกสองรูปนั้นทุดงอยู่ในเขตป่ากขาวนั้นจนกระทั่งถึงช่วงจะเข้าพรรษาก็พากันไปจำพรรษาที่อำเภอเถินในพรรษานั้นท่านได้อบรมสั่งสอนชาวบ้าน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 ในพรรษาที่สิบนั้นหลวงปู่เหรียญและคณะได้ไประจำพรรษาอยู่ที่บ้านว่างหลังหนึ่งซึ่งเป็นของชาวอังกฤษญาติโยมผู้มีศรัทธาได้นิมนต์ให้ท่านอยู่จาพรรษาที่นั่นเพื่อจะได้ช่วยสอนกรรมาฐานให้ท่านทั้งสามจึงอยู่จาพรรษาที่นั่นหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาพระมหาถวั์ก็ขอให้นำทางไปประเทศลาวเพราะจะไปที่จังหวัดหลวงพระบางความจริงในขณะนั้นประเทศลาวไม่สู้สงบนัก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 เพราะเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สู้สงบนักจึงได้ข้ามฝั่งกลับมายังประเทศไทยและทุดงกลับขึ้นไปยังภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งในภาษานั้นอันเป็นภาษาที่ส7บเจดท่านจ็กลับไปจำภรษาในเขตอำเภอเถินจังหวัดตากอีกครั้ง และข่าวนี้อยู่จากพรรษาที่นั่นนานถึงสองพรรษาคือพรรษาที่สิบเจ็ดพรรษาที่สิบแปดในระหว่างท่องทุดดงบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ในเขตอําเภอเถินนั่นเองท่านได้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณหลายครั้งครั้งหนึ่งท่านได้เปิดเผยให้คุณธนกรสุริย น, นักเขียนในเครือโลกทิพย์คนหนึ่งฟังเมื่อคราวที่คุณธนกรไปกราบนพิธการที่สํา น, นักสงสวนจิตรดาว่าที่อําเภอเถินจังหวัดตากก็เหมือนกัน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 เมื่อได้กราบหลวงปู่เทศเทสลังสีแล้วหลวงปู่เทศให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและออกปากนิมนต์ให้อยู่ช่วยงานเผยแผ่ธรรมะที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนั้นงานเผยแผ่ที่ภาคใต้นั้นเพิ่งจะเริ่มมาได้ไม่นานนักและต้องการกำลังคนอีกมากข้าอาจารย์เหลียนเองก็ได้คิดอยู่ก่อนแล้วจึงรับนิมนต์ดูช่วยงานเผยแผ่ธรรมะที่ภาคใต้และตั้งแต่ปีนั้นมาท่านก็อยู่จากภาษาที่ภาคใต้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึงแปปี พรรษาแรกที่ลงไปอยู่ภาคใต้นั้นพระาจารเหรียญก็อยู่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์ตำบลกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาที่พระอาจารย์มหาปิ่นเคยเป็นหัวหน้าสงฆ์อยู่ท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นสองพรรษาคือพรรษาที่19บเและยีบ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 ไหนได้ยินว่าเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่นี่หรือเออถ้าเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่นี่อาัตามาจะมาพักอยู่ในถาน้านี้และจะมาแสดงธรรมที่หน้าถ้ำนี้ให้ไปฟังธรรมกันเนอ้อเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็เดินเข้าไปดูในถ้ำโยมเขาพาไปพอดูถ้ำก็เห็นว่าเหมาะที่จะอยู่กันได้ก็อยู่โยมชาวบ้านก็ช่วยกันทำยกร้านไว้เป็นที่นั่งนอนภายในถา้าแล้วก็มาทาศาลาน้อยที่ข้างหน้าใช้เป็นที่ฉันพัฒตาหาร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 พระอาจารย์เหรียญวลลาลาภกไปช่วยงานเผยแพร่ธรรมะอยู่ทางภาคใต้โดยทุดวงไปพำนักตามป่าเขาต่างๆอยู่จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2496ราษดรชาวพังงาคนหนึ่งซึ่งมีความศรัทธาในแนวทางของหลวงปู่มั่นและเลื่อมใสในหลวงปู่เทศเป็นอย่างยิ่งก็ได้ถวายที่แปลงหนึ่งมีจานวนประมาณก้าไร่ซึ่งตั้งอยู่ในที่เขตอเาเภอเมืองจังหวัดพังงา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 และการศึกษาจนสามารถเปิดโรงเรียนประยะิยัติธรรมขึ้นที่นั่นสร้างเป็นสำนักวิปัสนาได้และต่อมาก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดประชาสันติปัจจุบันมีพระอาจารย์เซียนประพัสโลเป็นเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามมสศีมาเป็นวัดถูกต้องเมื่อปีพุทธศักราช2502ภายหลังจากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์เหรียน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 วัดอาฬจยบรรทศซึ่งท่านก็จะอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจาาปัจจุบันดังความเป็นมาในประวัติโดยสังเขปของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวัลลาลาโพที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านับแต่ท่านได้สลับเพศคารวะ มาสู่ความเป็นปัมปชิตนักบวชในพระพุทธศาสนาท่านได้มุ่งต่อการศึกษาและฝึกฝนกายและจิตของตนให้ดารงมั่นอยู่ในธรรมอันดีแห่งพระพุทธองค์โดยตลอดธรรมอันใดที่ท่านศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งแลนั้นท่านจะไม่หวงแหนว่าธรรมนั้นเป็นเฉพาะของท่านเองท่านสู้ทนทุกยากปฏิบัติมาแสนลบากได้นาเอาธรรม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 ในพระพุทธศาสนาที่พึงนี้ต่อการจะลงพระพุทธศาสนาในฐานะสมณศาสตรไปดบุตร